เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งพฤภาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์ส่วนตน และส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะเสด็จจากพวกเราไปที่เรียกว่าปัชฉิมโอ ว, วาจงยังประโย์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของตนจะหมดไปเมื่อใดเมื่อหบดชีวิตไปแล้วโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นก็จะหมดไปการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การมีชีวิตอยู่นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่จะได้ ทำประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าไปเกิดในภพอื่นโอกาสที่จะทำประโยชน์นั้นก็จะมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะภพอื่นนั้นเป็นที่ไปรับผลบุญผลกรรมส่วนภพของมนุษย์นี้เป็นที่รับผลบุญผลกรรมและเป็นที่สร้างบุญสร้างกรรมด้วย ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีโอกาสได้สร้างบุญและสร้างกรรมมากกว่าพบอื่นชาติอื่นจะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระ อ, ะ ร, ะอริยบุคคลขั้นต่างๆก็ต้องมาเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดในพบชาติอื่นก็จะไม่สามารถเป็นได้ดนั้นพบชาติของมนุษย์จึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง ต่อชีวิตจิตใจของพวกเราทุกคนสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและให้กับตัวเราเองการทำประโยชน์ก็หมายถึงการกระทําที่ไม่เกิดโทษกับผู้อื่นหรือกับโทษกับตัวเรามีแต่เกิดประโยชน์กับตัวเราหรือกับผู้อื่น หรือทำกับผู้อื่นและกับตัวเราที่เราเรียกว่าบุญกุศลนี้เองนะดังนั้นการทำประโยชน์คือทำบุญกุศลจึงเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ฉลาดเวญยูหิตประจัดตังเวนิตตัมโบเวญยูหิตการทำบุญการทำกุศลนี้เหมาะ ก, กับวิญยูชนเพราะมีวิญยูชน ผู้มีปัญญาความฉลาดเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและให้กับตนเองเพราะว่าเวลาที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตนก็จะได้รับประโยชน์ด้วยทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็นำกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานต่างๆ มาถวายพระภิกษุสัมมนมเองเรียกว่าเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในขณะเดียวกันการให้นี้ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ให้คือผู้ให้ก็ได้รับบุญคือความสุขใจความสุขใจความพอใจความอินใจซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพาให้ไปสู่สุขติ หลังจากที่ต้องจากโลกนี้ไปแล้วแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการอุทิศบุญที่ได้รับในวันนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าไม่มีบุญยังรอรับบุญก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปก็จะได้รับประโยชน์นี่คือประโยชน์ทั้งสามส่วนทั้งกับตัวเราเอง ทั้งกับผู้ที่มีชีวิตอยู่และทั้งกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุญกุศลนี้เป็นเหมือนน้ำสะอาดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตของทุกๆคนไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ใครดื่มน้ำบริสุทธิ์ก็จะมีความชุ่มชื้นมีความสุข ถ้าบุคคลใดขาดน้ำไม่ช้าก็จะต้องถึงแก่ชีวิตเสียชีวิตไปได้เพราะน้ำนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตเช่นเดียวกับบุญกุศลก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อจิตใจของพวกเราที่ยังต้องการพัฒนาต้องการเจริญก้าวหน้าต้องการเติบโต ไปในทางที่ดีที่งามดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เจริญกันคือได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีบุญและกุศลนี้แดลที่จะเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะพาให้ไปถึงพระนิพพานได้สิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่สามารถพาไปได้ ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขามีตำแหน่งสูงเป็นปัฒนาทิบปดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกษัตริย์เป็นมหาจากักรพรรดิหรือเป็นอะไรต่างๆก็จะไม่สามารถพาให้ไปสู่พระนิพพานได้ไม่สามารถพาให้ไปสู่สุคติได้เพราะ ลาบก็ดียศก็ดีนั้นไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพาจิตใจให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่บุญและกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงนามาสั่งสอนนี้เท่านั้นที่จะพาให้สา์สโลกนั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดกลับมาแก่กลับมาเจ็บกลับมาตายกลับมาพลาพลาดจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบโดยไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างนี้ไปมานานแสนานานแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเอกเป็นเวลาอันยาวนานไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลได้เต็มที่เท่ากับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทรงสร้างเอาเมื่อเมื่อถึงตอนนั้นแล้วจิตก็จะถึงพระนิพพานถึงที่ไม่มีการเยนน่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรประมาทควรพิจารณาอยู่เสมอว่า เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพลาดจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายต่อการเกิดจะเบื่อหน่ายต่อการสร้างลาบยศสระเสริญสุข เพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาอยากจะทำบุญให้มากอยากจะรักษาศีลให้มากอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมให้มากอยากจะปฏิบัติธรรมให้มากอยากจะนั่งสมาธิให้มากอยากจะเจริญปัญญาให้มากเพราะ การกระทาเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราเองและกับผู้อื่นผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมต่อผู้ที่มีใจบุญสูนยทานไม่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมอยู่ได้ด้วยความโล่งเย็นเป็นสุดไม่ทุ์ไม่เดือดร้อนต่างกับการอยู่กับคนที่ไม่ไม่มีบุญไม่มีกุศล เป็นคนโหดร้ายทารุณขาดความเมตตากรุณาอยู่กับคนเหล่านี้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจดังนั้นขอให้เราจงเห็นคุณค่าของการสร้างบุญสร้างกุศลเถิดเพราะเป็นประโยชน์จริงๆทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นกับตัวเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีภัยอันตรายทางหล อันตรายทั้งหลายมาราวีมาสร้างความทุกข์ทรมานให้อยู่กับผู้อื่นก็ไม่สร้างภัยไม่เป็นภัยแก่ผู้อื่นไม่เป็นไม่สร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ผู้รักชื่นชมยินดีอยากจะกบค้าสมาคมด้วยจะไม่ขาดเพื่อนอยู่ที่ไหนก็จะมีเพื่อนอยู่เสมอต่างกับคนที่ ใจบาปใจกรรมไม่ชอบทําบุญให้ทานชอบเบียดเบียนผู้อื่นบุคคลอย่างนี้อยู่กับใครก็จะไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยเพราะจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเองดังนั้นอย่าไปบองถึงประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ได้จากการทําบาปทํากรรมเช่นเวลาอยากจะได้อะไรก็ ถามมาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือทำผิดศีลผิดธรรมได้มาแล้วไม่คุ้มกับส่วนที่เสียไปเพราะจะเป็นคนที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยและถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้ก็จะต้องถูกจับไปขังไว้ในคุกในตารางหรือจับไปลงโทษประหารชีวิต เพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองอย่าไปเห็นว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ดีเห็นผู้อื่นเขาทำได้เราก็จะทำบ้างอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของคนฉลาคนฉลาจะต้องรักษาความดีไว้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถึงแม้จะถูกผู้อื่นกล่าวร้ายถูกผู้อื่นทำร้าย แต่ก็จะไม่ตอบโต้จะไม่กล่าวร้ายผู้อื่นจะไม่ทำร้ายผู้อื่นจะนิ่งเฉยจะยอมจะตั้งใจอยู่เป็นอุเบกขาปล่อยให้เป็นเวรเป็นกรรมไปใครทำอะไรไว้ก็จะต้องรับผลของการกระทาไปไม่ช้าก็เร็วเราไม่ได้ทำอะไรเราก็จะไม่ต้องรับผลของการกระทาเหล่านั้น นี่คือหลักของชาวพุทธเราเพราพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอย่างไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่กล่าวร้ายผู้อื่นแม้จะถูกจ้องทาร้ายด้วยวิธีการต่างๆแต่จะทรงใช้พระเมตตาจะชงสายผ้าขันติและจะทรงใช้พระปัญญาจะไม่ใช้การทําร้ายผู้อื่นจะไม่กล่าวร้ายผู้อื่น เป็นการตอบโทษแต่อย่างใดยอมรับวิบากกรรมของพระองค์ทรงรู้ว่าเคยได้สร้างบาปสร้างกรรมมาในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนในปัจจุบันจึงถือเป็นเรื่องของวิบากกรรมทั้งนั้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมคือบาปส่วนที่ดีก็ถือว่าเป็นวิบากกรรม ที่ดีคือบุญเวลาเราได้ความสุขได้ความเจริญนี่เป็นผลของบุญที่เราได้ทำมาในอดีตเวลาที่เราประสบข้อกรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมเป็นบาปเป็นผลของบาปที่เราได้ทำมาในอดีตเราไม่สามารถกลับไปลบล้างบาปและบุญที่เราทำได้ในอดีต แต่เราสามารถห้ามไม่ให้ห้ามใจของเราไม่ให้สร้างบาปใหม่ให้เกิดขึ้นได้เราสามารถบังคับใจให้สร้างแต่บุญแต่อย่างเดียวได้ถ้าเราสามารถห้ามไม่ให้ทำบาปได้ทำแต่บุญอย่างเดียวต่อไปในอนาคตก็จะมีแต่ผลบุญอย่างเดียวที่จะเป็นผลมาให้กับเรานี่เป็นหลัก ของเหตุและผลเป็นกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศสั่งสอนหรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ก็จะมีตลอดไปตรามใดที่มีการกระทาตราบนั้นก็จะต้องมีผลของการกระทําตามมาดัางนั้นถ้าเราไม่อยากจะรับผลร้ายผลไม่ดี เราก็อย่าไปสร้างเหตุร้ายเหตุไม่ดีอย่าไปทำร้ายอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีผลร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราทำแต่ผลดีถ้าเราทำแต่ความดีผลดีก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนขอให้เราเชื่อหลักหรือกฎแห่งกรรมนี้เถอะ แล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้จะมีวิบากกรรมวิบากกรรมก็จะไม่สามารถมาทำลายความสงบสุขภายในใจของเราได้จะทำลายได้แต่ส่วนนอกใจทท้งนั้นคือร่างกายหรือสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราทท้งนั้นแต่จะไม่สามารถมาทำให้ใจของเราทุกข์ ได้เลยหากใจของเรามีบุญมีคุสมหากใจของเราตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในในความเป็นอุเบกขาคือยอมรับผลของกรรมยอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมไป ถ้าเราอยอมรับแล้วใจเราจะสงบใจเราจะเย็นต่อให้เราสูญเสียอะไรไปใจของเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นผลของกรรมทั้งนั้นใครจะตายไปถึงแม้เราจะรักเขามากน้อยเพียงไรก็ตามก็ถือว่าเป็นผลของกรรมของเราที่จะต้องเสียเข้าไป และเป็นธรรมดาของเขาที่เขาจะต้องตายไปและเป็นวิบากของเขาที่เขาทําบุญมาได้เพียงเท่านี้คนที่ถึงเวลาตายนั้นแสดงว่าหมดบุญนั่นเองถึงเวลาที่จะต้องตายเพราะทําบุญมาเพียงเท่านั้นเหมือนรถยนต์ที่เติมน้ํามันเติมได้มากน้อยเพียงไรก็จะวิ่งไปได้มากน้อยเพียงนั้นเติมมากก็วิ่งไปได้มาก เติมน้อยก็วิ่งไปได้น้อยถ้าทําบุญมาน้อยทําบาสมามากอายุก็จะสั้นเป็นธรรมดาถ้าทําบุญมามากทํ ท, ทบาสมาน้อยอายุก็จะยืนยาวนานไปเป็นธรรมดานี่คือกฎแห่งกรรมถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมา เพราะถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องของบาปของบุญเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเหนือนเรื่องของธรรมชาติเรื่องของฝนฟ้าฝนฟ้านี่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกเราไปห้ามไม่ได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาไม่ไปอยากให้เขาหยุด เราก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้าเราอยากไปให้เขาหยุดแล้วเขาไม่หยุดเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกกวัวลกวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราอย่าให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆให้ให้รับความจริงของสิ่งต่างๆวันนี้แดดออกก็ รับไปว่าแดดออกพรุ่งนี้ฝนตกก็รับไปว่าฝนตกอย่าไปอยากให้ฝนตกในวันที่ฝนไม่ตกอย่าไปอยากให้แดดออกในวันที่ฝนตกเพราะจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราความอยากของเราก็เกิดจากความโง่ของเรานั่นเอง คือไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติไม่เข้าใจกฎของของกรรมนั่นเองใจเราถึงหยาไปต่างๆนานาเราเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอพอตายไปก็เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดา ถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่ไปอยากไม่ตายเราพร้อมที่จะตายเสมอทุกเวลาพร้อมที่จะให้คนอื่นเขาตายไปทุกเวลาเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนการขึ้นกับการลงของตะวันก็เราก็รู้ว่ามันเป็นกฎธรรมดาเป็นกฎธรรมชาติตอนเช้าตะวันก็จะต้องขึ้นตอนเย็นตะวันก็จะต้องตก ร่างกายก็เช่นเดียวเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกันเหมือนตะวันที่ขึ้นแล้วตกร่างกายก็มีเกิดและมีตายเป็นธรรมดาถ้าเรารับการขึ้นการตกของตะวันได้เราก็รับการเกิดการตายได้อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองถ้าเราไม่รับเราก็จะทุกข์ถ้าเรารับเราก็จะไม่ทุกข์ นี่คือธรรมชาติของใจเราเป็นอย่างนี้ใจเราของเราสุขหรือทุกข์อยู่ที่ว่าเราอยากหรือไม่อยากถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรเพราะจะต้องทุกข์อย่างแน่นอน เพราะอะไรเพราะความอยากนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้จะได้ตามความอยากแล้วความอยากก็จะไม่หมดไปเช่นอยากจะได้สิ่งหนึ่งพอได้สิ่งนั้นมาแล้วก็อยากมีอยากจะได้สิ่งอื่นต่อไปแล้วถ้าไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาและถ้าเสียไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจตามมาอีก นี่เป็นผลที่เกิดจากความอยากทั้งนั้นถ้าไม่อยากแล้วอยู่เฉยๆได้อะไรก็ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ได้ก็รับไว้เวลาเสียไปก็จะไม่เสียใจเพราะไม่ได้ยินดีไม่ได้อยากได้แต่ก็รับเอาไว้เท่านั้นเองมีไว้เท่านั้นเองตามฐานะตามความสามารถเพราะเรายัางต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยทอ้อง เราก็ทำไปถ้าเราได้มามากกว่าที่เราอยากจะได้เราเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเวลาหมดไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้อยากได้เราเพียงอยากได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นอยากได้อาหารมาพอต่อการรับประทานถ้ามีมากกว่านั้นก็เก็บเอาไว้เฉยๆก็ได้หรือจะเอาไปให้คนอื่นก็ได้ จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เสียใจแต่ถ้าอยากได้แล้วเวลาได้มาก็จะดีใจแล้วก็จะหวงแล้วก็จะหวงและจะเสียใจเวลาที่หายไปเวลาหมดไปนี่คือโทษของความอยากมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่สัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแทบจะทุกลมหายใจเข้าออกเลย พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นโทษของความอยากที่มีอยู่ภายในใจและสามารถทำลายดับความอยากต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในใจได้หมดไปหลังจากนั้นพระองค์ก็นำมาสั่งสอนให้แก่สอนโลกผู้ที่ฉลาดฟังแล้วเข้าใจเกิดศรัทธาและปฏิบัติตามได้ก็เป็น กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้หมดความอยากเป็นผู้อยู่อย่างมีความสุขเพราะไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนั่นเองความอยากนี้จะดับได้ก็ต้องดับตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือต้องให้ทานต้องรักษาศีลต้องภาวนา และก็ต้องให้อย่างสุดๆให้ครบร้อยถึงจะสามารถดับความอยากได้หมดเช่นมีอะไรเหลือมากเกินไปก็ให้ผู้อื่นไปให้หมดเก็บเอาไว้เท่าที่จาเป็นเช่นนักบวชทั้งหลายก็ให้หมดเลยบ้านก็ให้สมบัติก็ให้สามีภรรยาก็ให้ไม่เอาอะไรเลยออกไปอยู่วัดออกไปบวชเอาเพ่งปัจจัยสี่ ที่จำเป็นต่อการดํารงชีพเท่นั้นมีที่พักอาศัยมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่มีอาหารรับประทานมียารักษาโรคเท่านี้ก็พอแล้วนี่คือการให้อย่างเต็มที่ต้องให้แบบนี้ถึงจะได้บุญมากที่สุดถึงจะสามารถตัดความอยากได้แล้วเมื่อให้ดาวก็จะต้องรักษาศิลสิลก็ต้องรักษาให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227แล้วแต่ฐานะถ้าเป็นคารว่าก็รักษาศีล5ศีล8ถ้าเป็นสนัมเณรก็รักษาศีล10ถ้าเป็นนักบวชเป็นพระก็รักษาศีล227ข้อแล้วก็ต้องภาวนาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมทาจิตใจให้สงบ ออกจากความสงบก็มาเจริญปัญญาพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลงไฟไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาอยู่อย่างนี้อ ย, อ, ยอยู่ไมเลื่อนพอเหนื่อยก็หยุดนําวก็กลับเข้าไปในสมาธิพักอยู่ในสมาธิจนจิตสบายแล้วก็ออกมาจากสมาธิก็กลับมาพิจารณาปัญญาใหม่เจริญปัญญาใหม่ ทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยแล้วต่อไปใจจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจจะไม่อยากได้อะไรเห็นอะไรก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นสุขเห็นอะไรก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ทุกข์ที่เกิดจากความหวงแหนทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียไปจะเห็นอย่างนี้ตลอดเวลา จะทำให้ไม่อยากจะได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรใจก็จะไม่มีความทุกข์อะไรจะมาอะไรจะไปก็จะไม่เดือดร้อนใครจะมาใครจะไปก็จะไม่เดือดร้อนพราอใจไม่มีความอยากกับอะไรนั่นเองนี่คือการทำประโยชน์ให้กับตนและกับผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทคือต้องทำตั้งแต่บัดนี้ทุกเวลานาที อย่าปะอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่านี้หลุดไปโดยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและกับผู้อื่นไม่ได้ทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาเพราะจะเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์และเวลาก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะถึงวันตายของเราเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะทําอะไรไม่ได้ <c oughs> จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินในฝฟังในวันนี้คือการสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยการไม่ประมาณนี้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา